เ, เรื่องหน้าที่เป็นการเป็นงานทําความไม่ดีให้เกิดความดีทําความผิดให้เกิดความถูกทอำความทุกข์ให้เกิดความไม่ทุกข์เป็นการเป็นงานของชีวิตไม่ได้โอดไม่ได้เที่งไม่ได้ปล่อยเปะละล้วเลยตรงนี้โดยตรงปฏิบัติโดยตรงปฏิบัติออกจากทุกข์ปฏิบัติสมควรใครก็ตามถ้าตรงอยู่นีหรือว่าเป็นสงได้เป็นพระสงฆ์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 แต่ว่าเราก็เริ่มสร้างเขาเป็นสติธรรมดายกมือเคลื่อนไหวไปมารู้สึกตัวสร้างสติบางทีกิดมันคิดไปทางอื่นต้องดึงกลับมาทำอย่างนั้นสมัยเริ่มต้นการศึกษาศีลก็ต้องรักษาสมาธิก็ต้องเป็นนั่งบังคับให้รู้สึกตัวหายใจเข้าหายใจออกหลับตาลงไปนั่งเด็กนิ่งลงไป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 ความหลงกลายเป็นปัญญาลูแล้วรานั้นเห็นความหลงลู่แล้วเห็นความโกรธลู่แล้วนั่นปัญญาเห็นความทุกข์ก็ลู่แล้วคือปัญญาเห็นความวิตกกังวลเศร้าหมองลู่แล้วเห็นตัวเองผิดลู่แล้วเห็นคนอื่นถูกเห็นคนอื่นผิดก็ลูแล้วเพราะว่าลู้แล้วมันจบไปแล้วไม่ต่อน่ละปัญญามันสุดมันจบ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 แม้เราจะว่าพุทธังสรนังกระฉาไม่ธรรมังสระนังกระฉาไม่สังคังสรนังกระฉามิอะไรที่เรายึดถือไว้เป็นที่อาศัยมันก็ไม่ใช่ถ้ายังหลงยังโกรธอยู่พุทธังสระนังกระฉาไมิมันพ้นแล้วจึงแสดงออกมาก่อนที่จะว่าพุทธังสรนังกระฉาเนี่ยมันพ้นแล้วทำอย่างนี้มันพ้นอย่างนี้เหมือนสมัยก่อน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 ไม่เป็นการบ้านไม่นอนเนืองคําว่าทุกข์เลยไม่นอนเนืองเป็นสิ่งที่ ช, นชนานีชานานคําว่าทุกข์ไม่มีการบ้านมีเพื่อไม่มีทุกข์อะไรที่มันมีเกิดขึ้นเพื่อมทุกข์ไม่ใช่ทุกข์เพื่อทุกข์เรียกว่าปฏิบัติออกจากทุกข์ปฏิบัติสมองเสมอสมควรปกติ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 ลูกขยันลูกความลูกไม่ เ, เป็นอไรมันก็สัมผาดได้ลูกเอาลูกเอารูเอากอารขยันลูกเรียกว่าภาวนาบิชาสุดยอดของการทำบุญขยันลูกเนี่ยเป็นเป็นการสุดยอดของการทำบุญทานศีลภาวนาการก็อยากให้มันจบแตททำไปเรื่อยๆ เ, เพิ่มเติมกับการใช้ชีวิตของเราไปนะ